พระบัญญัติห1 3 2ัก็ภิกษุณีใดบวชให้กุมารีมีอายุครบ20ปีผู้ดได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติต้องอาบัตติปายปิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ